พ่อค้าคนหนึ่งมาเปิดร้านขายของที่จตุจักรนะเปิดมาเป็นปีขายของมาเป็นปีต่อมาก็มีพ่อค้าหน้าใหม่มาเปิดร้านติดติดกับเขาเลยไม่กี่วันต่อมาพ่อค้าหน้าใหม่คนนี้ก็เอา ป้ายนะขนาดใหญ่นะมาวางไว้หน้าร้านมาตั้งไว้หน้าร้านแล้วก็ยืนมาที่ร้านของเขาจนปิดร้าน เ, าเกือบจะปิดร้านเลยนะมาเบียดบังพื้นที่หน้าร้านของเขาเขาก็ไม่พอใจนะ แต่ว่าแทนที่จะไปต่อว่าพ่อค้าคนนั้นเขาก็หักห้ามใจวันต่อมานะเขาออกไปข้างนอกก่อนที่จะกลับมาที่รังของเขาเขาก็ซื้อผลไม้ซื้อองุ่นซื้อส้มนะอย่างละกิโล แล้วก็เอาไปให้เพื่อนบ้านนะทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันเลยนะเพราะไม่ได้คุยกันก็เอาไปให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยผมออกไปข้างนอกเมื่อกี้นี้เห็นร้านผลไม้มันอาหารผลไม้มันน่ากินนะนึกถึงคนก็เลยซื้อมาอพอค้าหน้าใหม่คนนั้นก็ ทำสีหน้างงงงรู้สึกแปลกใจแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเกรงใจนะเขาก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจนะเราค่าขายอยู่ด้วยกันนะก็เหมือนกับพี่น้องกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะผมเห็นว่าผลไม้นี่มันน่ากินก็เลยซื้อมาฝากเขาก็รับไปแล้วก็ พูดคุยกันด้วยดีนะเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานนะวันต่อมากขเปิดร้านกับอกก็ว่าไอ้ภาพใหญ่ๆที่มันเคยปิดร้านเขาเนี่ยที่มันเคยปิดหน้าร้านเขามันหายไปเขาก็เลยไปถามพ่อค้าหน้าใหม่คนนั้นว่าเนี่ยเมื่ก่อนเคยเห็นป้ายมันอยู่หน้าร้าน ตอนนี้มันไปไหนละเขาก็บอกว่าอยู่ในร้านนี่แหละเฮียอ้าวทำไมอยู่ในร้านนะ่ะทำไมไม่ไปไว้ข้างหน้ารนะ <c oughs> ้านน่ะเกรงใจเฮียไว้ในร้านดีแล้วนะเอาไปไว้หน้าร้านนี่มันน่าเกลียดมันปิดร้านของเฮียลูกค้าจะมาซื้อก็ ลำบากนะไม่เห็นสินค้าของเฮียถ้าทีเปลี่ยนไปเลยนะจากคนที่คิดเอาเปรียบเพื่อนบ้านแต่ว่าตอนนี้นี่กับเกรงออกเกรงใจนะเขาก็ไม่ได้ไปต่อว่าอะไรนะแล้วก็ไม่ได้พูดถึงว่าขอร้องอะไรเลยแต่ว่าพ่อค่าน่าหมายคนนั้นนี่เขา เขารู้สำนึกนะเขามีสำนึกพอได้รับความเอื้อเฟื้อได้รับน้ำใจจากเพื่อนบ้านเขาก็รู้สึกเกรงใจขึ้นมาแล้วก็ทำเขาเองอท่าทีเปลี่ยนไปเลยมีอีกเรื่องหนึ่งก็ออกมาทำนองเนี้นะพวกเราคงรู้จักส t e เฟนส์วิลเบิร์กเป็นผู้กำกับหนัง ที่มีชื่อมากของฮอลลีวูดเป็นคนที่สร้างหนังเรื่อง ET ทอันนั้นก็สาปีมาแล้วนะล่าสุดก็ลินคอนก็ได้รางวัลได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องเป็นนักสร้างที่เก่งมากเขาเล่าว่าตอนที่เขายังเป็นเด็กอายุสักสิบเอ็สิบสองสิบสามเนี่ยที่โรงเรียนนี่มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งชอบแกล้งเขามากเลย ตัวใหญ่กว่าอายุมากกว่าชอบแกล้งก็เป็นประจำจนกระทั่งเขาไม่อยากไปโรงเรียนการไปโรงเรียนนี่เหมือนก็ไปนรกเลยนะเพราะต้องโดนแกล้งเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ความคิดขึ้นมาไปโรงเรียนก็ไปหายวัยรุ่นคนนี้แหละอายุหกปีสักสิ 16, ก 16-17 เขบอกว่าเนี่ยผมกําลังจะสร้างหนังเรื่องหนึ่งนะตอนนั้นเขามีวีดีโอเขามีเครื่องถ่ายวิดีโออยู่เครื่องหนึ่งสมัยนั้นเครื่องถ่ายวิดีโอก็ราคาแพงนะผมกําลังจะสร้างหนังเรื่องนึงนะเกี่ยวกับเรื่องตามล่า น, นาซียังขาดตัวเอกอยู่นะคุณพอจะมาเป็น ตัวเอกในหนังเรื่องนี้ได้ไหมหมอนนั่นก็งงนะก็ไม่รู้ว่าสปิเบิร์กจะมาไม้ไหนนะเพราะเขาก็รู้ว่าสปิเบิร์กไม่ชอบเขาแต่ว่าพอได้รับข้อเสน อ, อนี้เขาก็บอกว่าไปคิดดูก่อนนะต่อมาเขาก็รับนะโอ้ตกลงนะฉันจะเล่นเป็นรับเล่นหนังของแก สฟิวเบก็ถ่ายทาหนังจริงจังเลยนะแล้วเขาก็เล่าว่าหลังจากถ่ายทำหนังจบนี้ไวรุ่นคนนั้นนี่กลับมาเป็นเพื่อนเขาเลยที่เคยแกล้งเขาที่เคยทาร้ า, ายนะก็เปลี่ยนมาเป็นคนละคนกลายเป็นเพื่อนที่สนิทนะอันนี้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่า รู้สึกภาคภูมิใจนะแล้วก็รู้สึกขอบคุณสปิลเบิร์กถ้าคนบางคนเขาทำตัวเป็นนักเลงเกเรเพราะเขากสือเขาไม่มีคุณค่าไม่มีใครยอมรับนะแต่ว่าสปิลเบิร์กสิ่งที่สปิลเบิร์กทำยังทำให้เขาสึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาก็เลยอยากจะเป็นคนดีเขาบ้างก็นะเลยกลายเป็นเพื่อน เปลี่ยนไปเลยนะจากจากผู้มุ่งร้ายนะเด็กเกเลนะกลายเป็นเพื่อนที่ดีมีพู้ยญิงไทยคนหนึ่งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี4 0ศูนย์่บริษัทเขาปิดนะก็เลยว่างงานว่างงานก็เลยคิดว่าไหนไหน ไม่ได้ทำงานแล้วไปเรียนต่อเมืองนอกดีกว่าเราก็ไปเรียนต่อที่ที่บอสตันเงินก็ไม่ค่อยมีนะแต่ว่าคิดว่าเป็นโอกาสละนะที่เราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้ตกงานก็มาเรียนหนังสือเถอะเล ย, เยจะได้เพิ่มภูมิที่ฉาความรู้ปกติเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ย นักศึกษาที่นั่นก็ไปเที่ยวกันแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นี่ไม่มีเงินไปเที่ยวก็ต้องอยู่อยหอพักแล้ว ก, ก็ใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปจัดจ่ายนะซื้อของซื้อมาทีละคราวเยอะๆเลยนะเพื่อที่จะมาทำอาหารประเภทว่ากินได้ทั้งอาทิตย์นะ เช่นหมูพะโล้นะไข่ลูกเขยส่วนใหญ่ก็เป็นไข่อะนะเพราะว่ามันที่นั่นราคาถูกแล้วก็ทำทีเดียวก็กินได้ทั้งอาทิตย์ตามภาษาคนที่ไม่ค่อยมีเงินเช้าวันเสาร์วันหนึ่งเขาก็ความกิจวัตรเหมือนเดิมนะออกไปซื้ อ, อไปห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตรว่างที่รอข้ามถนนนะติดไฟแดงอยู่ ก็มีนิกโกรคนหนึ่งมาประชิดตัวเขาข้างหลังแล้วก็เอามีดจี้บอกว่าเอาเงินมาเขาก็หยิบยื่นกระเป๋าเงินให้ผู้ร้ายคนนั้นเปิดกระเป๋าก็พอมีเงินแค่20ิบดอลลาร์ก็ไม่พอใจบอกว่าเอาไม่อีกนะมีนาฬิกามีสร้อยไหมบอกว่าไม่มีนะเพราะเขาไม่มีจริงๆผู้รายก็ไม่พอใจ บอกว่าเนี่ยคนเอเชียรวยไม่ใช่เหรอทำไมเธอไม่มีอะไรเลยนะมีเงินแค่ยี่สิบดอลลาร์เอาเพียง่นั้นก็บอกว่าเนี่ยคนนั้นคนเขารวยนะแต่ว่าฉันจนนะฉันไม่ค่อยมีเงินหรอกนะระหว่างที่สนทนาอยู่เนี่ยยามที่อยู่หน้ามาอุทยานคือจุดตรงที่เขาจะไปซื้อข้ามถนนไปซื้อของที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันเป็น เป็นหมาเทลไรยามเห็นผิดสังเกตก็ทำท่าเหมือนกับจะเรียกจะโทรศัพท์เรียกตํารวจพีิงไทยคนนั้นเห็นพอดีนะก็เลยก็เลยโบกมือบอกว่าไม่มีอะไรเพื่อนกันนะยามเห็นยามได้ยินก็เลยเออคิดว่าไม่มีอะไรก็วางหูโทรศัพท์ผู้ชายมแปลกใจเ อ, อ๊ เรารู้จักกันแต่เมื่อไหร่ถามเพีงยงชายคนนั้นเก็เมื่อกี้นี้ไงเธอตอบเมื่อกี้นี้ไงแล้วผู้ร้านก็ถามต่อไปว่านี่คนเอเชียนี่รวยแต่ทําไมคุณบอกไม่มีเงินเธอก็ไล่ฟังว่าเนี่ยประเทศฉันเนี่ยมันเพิ่งโดนวิกฤตเศรษฐกิจมาตอนนี้ไอเมเอฟนี่มายึดครองประเทศแล้วตอนเนี้ย คนไทยทั้งประเทศนี่เป็นท่า IMF นะยเนี่ยซึ่งเป็นพลเมืองชั้น2เนี่ยเป็นคนดำเนี่ยยังโชคดีกว่ากว่า i อนะไนี่ตอนนี้เป็นทา่า IMF ละทั้งประเทศเลยเป็นนี่เป็นศิ์มากมายพราะว่าคูลล้ร้ายเห็นใจนะเห็นใจแล้วก็ซาบซึ้งใจด้วยเนี่ยเพราะว่าขนาดยาไม่จะไปเรียกตำรวจนี่เธอก็ยัง อบอกว่าเป็นเพื่อนกันทราบซึ่งน้าใจสุดท้ายเนี่ยลงเอยด้วยการที่เลิก เ, เลิกปนผู้หญิงคนนั้นคืนกระเป๋าเงินให้เท่านั้นไม่พอนะยังพาไปที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอีกลืมบอกไปว่าตอนที่คุยกันเนี่ยไอผู้ร้ายก็ถามว่าเนี่ยทำไมพกเงินแค่ยี่สิบดอลลาร์ เธอก็บอกว่าเนี้ยก็จะไปซื้อของจ่ายตลาดแล้วก็ถามว่ายี่สิบดลอลลาร์พอหรือเธอก็ตอบว่าพอใช่นี่ยเหลือเพื่อไข่ไข่โรละาไอไข่โร ล, ล่ะสองสามดอลลาร์เท่านั้นเองฉันซื้อไข่โรลลนึงโรลลนึงนี่กินทั้งอาทิตย์เลยโจ น, นี่เห็นใจนะโอ้โหกินไข่ทั้งอาทิตย์นี่กินทั้งโลเลยก็เห็นใจคืนเงินให้ แล้วก็พาเธอเนี่ยไปที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อของให้เธอเนะสองสามถุงเลยนะแล้วก็ยังอุตส่าห์หอพิ้วถุงเนี่ยมาส่งเธอถึงหอพักแล้วก็แถมเงินให้อีกห้าส <c oughs> ิบดอลลาร์คุณหญิงไทยคนนั้นก็ดีนะ <c oughs> วันต่อมาเป็นอาทิตย์เนี่ยเขาก็ซื้อของไปเยี่ยม คนดาคนนั้นเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นซื้อของประเภทพวกเครื่องครัวเพื่ออะไรเพื่อไปทําต้มยํากุ้งให้ให้คนดาคนนั้นกินเนี่ก็เลยรู้จักกับครอบครัวรู้จักลูกสาวตอนหลังลูกสาวก็ไปเรียนที่ชิคาโกเวลาบอกเธอบอกว่าเวลาเธอแวะเมืองนอกเนี่ยก็จะไปเยียบลูกสาวมันตลกปัดเลยนะผู้ร้ายเนี่ยที่ หมายมุ่งจะเอาเงินของเธอเนี่ย ไ, ไปมากลับให้เงินเธอได้ซ้าแล้วกลายเป็นเพื่อนกันทั้งสามเรื่องเนี่ยมันเหมือนกันอย่างนึงคือว่าคนที่มุ่งร้ายคนที่หมายเอาเปรียบเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนนะกลายเป็นเพื่อนนะกลายเป็นคนที่เ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้คนเรามันเปลี่ยนได้นะเวลาเราจะศัตรูเนี่ยเรามักจะมองเขาในทางร้าย และพอมองในทางร้ายแล้วก็ตอบโต้ไปในทางร้ายมันก็เกิดผลสะท้อนตีกลับมาแต่สามกรณีนี้เขาไม่ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้มีท่าทีอย่างนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้แต่ว่าไปแล้วนี่ศัตรูคนเรานี่มันไม่ใช่แค่อยู่นอกตัวเท่านั้นนะบนันทีก็อยู่ในใจเรานี่แหละใจเราก็มีศัตรู ความโกรธความเกลียดนะความเศร้าความเน้เนื้อต่ำใจพวกนี้มันก็บรรทอนจิตใจนะถ้ามันมีขึ้นมาในใจมันก็เผาลนจิตใจบีบคั้นจิตใจเกลียดใจให้เป็นแผลคนเราเวลาเจออารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะเราก็มักจะหาทางต่อสู้ด้วยการกดข่มผลักไส ตจที่จริงอารมณ์เหล่านี้ก็เหมือนกับคนร้ายนะหรือผู้ร้ายเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้อารมณ์ที่ปันทอนจิตใจเรามันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันจะเปลี่ยนได้นี่ก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้สึกเป็นลบเป็นปฏิปักษ์กับเขาเหมือนกับสามกรณีที่ว่าเนี่ยนะเขาเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรได้เพราะเขาไม่ได้รู้สึกเป็นลบกับ ผู้ที่มาเอาเปรียบหรือว่ามากันแกล้งเขาสามกรณีที่พูดถึงเนี่ยเขาใช้เมตตาก็าใช้ความเ อ, เอื้อเฟอื้เฟอเผื่อแผ่เขใช้น้ำใจในการเปลี่ยนศันะตรูให้กลายเป็นมิตรนะเปลี่ยนผู้ที่เอาเปรียบให้กลายเป็นเพื่อนแต่ว่าอารมณ์ที่มันเป็นศัตรูในใจเราที่บันทอนจิตใจเราเนี่ย เราไม่ได้เปลี่ยนด้วยเมตตาแต่ว่าเราเปลี่ยนด้วยสติเราใช้สติในการเปลี่ยนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือว่าความรู้สึกที่ไม่เป็นลบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ข้างหน้าเราหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจิตใจจะเปลี่ยนได้ต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกไม่เป็นลบคนเราเนี่ยเวลามีความกรธความฟุง้งซ่านมีอารมณ์อกุศลเนี่ย จะอยากผักสายกดขทําำลายมันก็ยิ่งทำให้อารมณ์เหล่านั้นกลับมาตอบโต้ยิ่งกดขมมันก็ยิ่งสู้นะยิ่งพยายามผักสายมันก็ยิ่งดื้อด้านจะต้องเริ่มต้นจากการที่ไม่เป็นลบมีความรู้สึกไม่เป็นลบกับอารมณ์เหล่านั้นนะแล้วถ้าใช้สตินะในการ รับรู้รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนอารมณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นให้กลายเป็นอ่เป็นกุศลได้หรือว่าทำให้มันเลือนหายไปหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยพูดแล้วก็พูดอยู่เสมอนะว่าภาวนาคือการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความหลงให้กลายเป็นความไม่หลงนะถ้าเปลี่ยนได้ าหากว่าเราไม่รู้สึกเป็นลบ ก, กับอารมณ์เหล่านั้นท่านใช้คําว่ารู้ซื่ อ, อรู้ซื่อคือว่ารู้เฉยๆรู้เฉยๆรับรู้ว่ามันเกิดขึ้นในใจแต่ก็ไม่เป็นลบ ก, กับมันไม่พยายามไปผักไสกดข่มมันสติหรือความรู้ตัวความรู้สึกตัวเนี่ย มันจะช่วยนะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์ได้เปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธได้ไม่ต้องไปทำลายมันไม่ต้องไปกำจัดมันนะแค่ใช้สติใช้ความรู้สึกตัวท่านติดนัดทันนะซึ่งเป็นพระเซนที่มีชื่อมากเนี่ยท่านใช้คำว่าท่านพูดด้วย ด้วยภาษาที่เหมือนกับกวีนะท่านบอกว่าอบกอดความโกรธนะอบกอดความโกรธด้วยสตินะอบกอดความทุกข์ด้วยสติแทนที่จะผลักสายมันก็โอบกอดมันมันแสดงความความนุ่มนวลความรู้สึกนุ่มนวลความรู้สึกที่ไม่เป็นปฏิปักษ์นะวเวล า, าเราเจออารมณ์พวกนี้เนี่ยจะไปผลักสายมันนะเรา เปียนแค่รับรู้เขาด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางๆไม่รู้สึกเป็นลบนะมันเปลี่ยนได้นะเหมือนกับผู้ร้ายเมื่อนคนที่เอาเปรียบเราโจรก็ยังเปลี่ยนได้นะเพราะเรารู้สึกไม่เป็นลบกับเขาเรามีความเป็นมิตรให้กับเขานะเรามีความเป็นเพื่อนเขาเนี่ยหยิบยืนน้าใจให้เขาเขาก็เปลี่ยนได้อารมณ์ที่บันทอนจิตใจเรามันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะ จะว่าไปรับวเป็นเรื่องเดียวกันเลย น, นะผู้รายที่อยู่ข้างนอกกับผู้ราที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทั้งนั้นนะถ้าว่าเรามีท่าชี้ที่ถูกต้องนะก็คือการไม่รู้สึกเป็นลบเป็นศัตรูหรือว่าความรู้สึกชิงชังนัาปฏิบัติธรรมหลายคนจะมีความรู้สึกชิงชังต่ออารมณ์ที่เป็น อ, อกุศลเช่นความโกรธชิงชังต่อการมาราคะชิงชังต่อนิวรที่ได้พูดเมื่อวาน ไม่ว่าจะเป็นการมาฉันทะหรือว่าพยาบาทความโกรธความหงุดหงิดรวมทั้งความอิจฉาหลายคนปฏิบัติไปปฏิบัติไปเริ่มเห็นความไม่ดีของตัวเริ่มเห็นอารมณ์นิสัยไม่ดีของตัวเช่นเห็นแก่ตัวขี้อิจฉาความน้อยเนื้อต่ำใจ ก็รู้สึกเสียใจที่ว่าทําไมเราเป็นคนนิสัยแย่แบบนั้นแล้วก็อยากจะเป็นคนดีในความอยากจะเป็นคนดีก็ทําให้พยายามไปกดข่มความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านั้นเห็นมันเป็นศัตรูที่ต้องทําลายล้างก็ยิ่งเท่ากับทําให้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันมีพลังในการตอบโต้เราแรงมาก็แรงไปเราแรงกับเขาเขาก็แรงกลับมา ฉันทำไปทำไปยิ่งเครียดยิ่งฟุ้งนะหลายคนปฏิบัติพอมาจเจริญสติได้จุดถึงจุดหนึ่งนี่ยิ่งโกรธมากกว่าเดิมยิ่งเครียดมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะไปพยายามไปกดข่มไปทําลายกําจัดไอความรู้สึกเหล่านั้นลนงในความฟุ้งซ่านนะลองปรับใจเสื่อใหม่นะไม่ต้องแทนที่จะไปจริงชังแทนที่จจะรู้สึกลบนะ ก็มองนะจะมองด้วยความรู้สึกเมตตาก็ได้นะมองด้วยความรู้สึกเห็นใจก็ได้หรือว่ารู้สึกเฉยๆนะรู้สึกซื่อนะให้มองว่ามันเป็นธรรมดานะหรือจะมองด้วยความเห็นใจตัวเองก็ได้ว่าแค่นี้ก็ทุกข์พอแรงแล้วเนี่ยจะไปกดข่มมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ปฏิบัติธรรมหลายคนก็ ทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะด้วยการจ้องการเพ่งด้วยการพยายามที่จะไปกดข่มความคิดไปกดข่มอารมณ์ต่างๆนะแล้วก็บางทีก็รู้สึกแย่กับตัวเองอันนี้ก็เป็นการทำลายตัวเองได้เหมือนกันนะทำลายตัวมันทำได้หลายแบบการกินเหล้าสุบุรีอันนี้ก็เป็นการทำลายตัวเองแบบหนึ่ง หรือว่าการสะสมพอกพูนอารมณ์โกรธสะสมพอกพูนนิสัยที่ไม่ดีเอาไว้ก็เป็นการทําร้ายตัวเองแบบหนึ่งคนที่โกรธมากเนี่ยร่างกายก็เจ็บป่วยง่ายตายเร็วตายเพราะเส้นเลือดในสมองแตกตายเพราะโรคหัวใจพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้นนั้นหลายคนก็พยายามประคองอารมณ์หล่อเลี้ยงอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลเอาไว้ ทางที่มันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์พระเจ้าเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ที่กระทําตัวเองเหมือนเหมือนกับเป็นศัตรูนะกระทําตัวเองเนี่ยประหนึ่งศัตรูทนั้งที่บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองเนี่ยแต่ว่าทํากับตัวเองเหมือนกัเป็นศัตรูก็คือบ่มเพาะไออารมาณ์อกุศลเหล่านั้นเอาไว้ซึ่งถึงแม้มันจะอาจจะไม่ได้ผักพาให้เราไปทําชั่วจกนกระทั่ง เกิดความถดือเนอร้อนใจตามกลับมาแต่เพียงแค่เก็บหรือประคองมันไว้ในใจรักษามันเอาไว้ถนอมมันเอาไว้นะมันก็ทําร้ายตัวเองพอแรงอยู่แล้วแต่ก็มีอีกประเภทหนึ่งนะคือพอหันมาสนใจธรรมะก็ไม่อยากพนอมมันละไม่อยากถนอมมันละแต่ว่าสวิงไปทางคือพยายามที่กาจัดมันเห็นมันเป็นศัตรู พอมีความโกรธเกิดขึ้นก็โกรธตัวเองนะเคยสังเกตมามว่าตัวเองนี่โกรธความโกรธพอมีความหงุดหงิดขึ้นมาก็โกรธความหงุดหงิดนะั้นแล้วก็โกรธตัวเองด้วยเพราะว่าความติดดีนะติดดีอยากจะให้ตัวเองเนี่ยนะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พอเห็นความเห็นแก่ตัวในใจเห็นความอิจฉาในใจก็ ไม่พอใจตัวเองแล้วก็ไม่พอใจอารมณ์นั้นรวมทั้งความหงุดหงิดความโกรธบางคนดีเขาไม่โกรธทำไมเราโกรธอย่างนี้รู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกแยก่กับความโกรธเป็นศัตรูความโกรธยายามกดข่มมันเอาไว้อันนี้ก็ทําร้ายตัวเองอีกแบบหนึ่งนะเพราะความยิ่งทําให้เป็นทุกข์ที่ทําให้เป็นเครียดมากขึ้นไม่ต้องกําจัดมันแค่เปลี่ยนมันแค่นั้นเอง เปลี่ยนมั น, นเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีไม่ว่าร้ายน่าจะอยู่ข้างนอกตัวเราอยู่อยู่ในใจหรอมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้โดยการวางท่าทีให้ถูกต้องไม่รู้สึกลบไม่รู้สึกเกลียดชังถ้าเป็นเรื่องภายในใจนะก็ใช้วิธีการอย่างที่ว่ามาใช้สติใช้ความรู้สึกตัวรู้สึซื่อแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้กลายเป็นความไม่หลงได้นะ แต่ถ้าเป็นผู้ร้ายข้างนอกหรือว่าศัตรูที่อยู่ภายนอกก็ใช้เมตตาใช้น้ําใจไมตรีนะแต่ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะสติก็ตามน้ําใจไมตรีก็ตามเนี่ยมันก็มีจุดเริ่มต้นอย่างจุดเดียวกันก็คือว่าความรู้สึกไม่เป็นลบนะไม่ชิงชังไม่เห็นเป็นศัตรูนะโอบ ก, กอดนะโอบ ก, กอดความโกรธ ด, ด้วยสติโอบ ก, กอดความฟุ้งซ่านด้วยสตินะ อบกรอยความหลงด้วยสติมันก็จะเปลี่ยนได้นะเหมือนกับที่เราอบกรอยเด็กดื้อนะมันก็เปลี่ยนเด็กดื้อให้กลายเป็นเด็กที่เรียบร้อยเป็นเด็กที่าหายเกเรได้มันเรื่องเดียวกันทั้งนั้นนะงั้นก็ลองนะลองปรับใจขงเราให้ใ ห, ให้ดี ถ้ายังปรับใจให้รักไม่ได้ก็ยังปรับใจให้เป็นกลางเป็นกลางคือไม่ไม่ชอบไม่ชังไม่ไม่ผักไสไม่ไมขว่คว้าหรือเพลิดเพลินตอนนี้แหละมันมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะในการที่จะทําให้ชีวเรากลับคืนสู่ความปกติได้ทั้งภายนอกและภายในชาตนี้ก็เพียงเท่านี้นะกรับครับ